ฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะทราบถึงความหมายที่ลึกซึ้งและไม่รู้ว่าจากเรื่องสังฆคุณนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงถึงวิธีการในการพัฒนาสังคมไว้อย่างดีที่สุดเพราะหลักการศึกษาก็ดีหลักการปกครองก็ดีหลักการเศรษฐกิจก็ดีถ้าได้พัฒนาโดยยึดถือหลักนิ้วเรื่องสังฆคุณเป็นแนวทางแล้วรับรองได้ว่าบ้านเมืองจะต้องเจริญถึงขั้นที่เรียกว่า อยู่ในยุค ข, ของพระศรีอานทีเดียวในบทสวดมนต์เรื่องสังฆ ค, คนนี้มีข้อความดังนี้สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรง ยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสามีจิต ป, ปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรญาติทางสาวกที่ว่านี้คือใครจตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคัลลา เอสาพรกวตโตสาวะกะสังโคคือบุคคลสีคู่หรือบุคคลแปดประเภทนี่แหละคือหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้สังเกตคำว่าสังโคแปลว่าหมู่ไม่ได้แปลว่าพระสงฆ์ฉะ น, นั้นคำว่าสาวกสังโคจึงแปลว่าหมู่แห่งสาวกและสาวกที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานั้น หมายถึงสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นเพราะในบทต่อมามีคำถามว่าญาติทางซึ่งแปลว่าสาวกที่ว่านี้คือใครและแล้วก็มีคำตอบมาว่าจัดตาริปุริสยุคานิอัตถาบริสปุคลาซึ่งแปลว่าได้แก่บุคลคลสี่คู่หรือบุคคล8ปประเภทอันหนึ่งเมื่อพูดถึงสาวก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 พรเป็นผู้เพียรพร้อมไปด้วยมัคมีองค์ดและเป็นผู้ที่ได้บรรลุถึงธรรมที่ควรบรรลุด้วยการปฏิบัติชอบตามมัคที่มีองค์ดนั้นจากคำอธิบายของพระพุทธโกสาจารนี้สรุปได้ว่าคำว่าปฏิบัติดีหมายความว่าปฏิบัติอยู่ในมัคมีองค์ดคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ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 สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะอยู่ในหมวดศีลสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอยู่ในหมวดสมาธิแนะนำให้ฟังคำอธิบายโดยละเอียดได้จากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายนะครับเรื่องมรรคแเป็นเรื่องที่มีความหมายละเอียดลึกซึ้งมาก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 ให้มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะก็คือบารมีทั้งสิบคือทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาคุณธรรมทั้งสิบนี้จะต้องฝึกฝนอบรมอย่างมากไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยและคำว่าจิตใจจะต้องจเจริญถึงขั้น